มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปัญจมวักพุทโธอนุตตภาวะชาณะปัญหาที่สาม ถามว่าท่านารู้แน่ในใจแล้วหรือว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐยิ่งราชาอาหาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองการถามว่าพันเตนาคะเสนา่าข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชาญานบริสุทธิ์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระอนุตตรอันยิ่งนี้ พระผู้เป็นเจ้าอาจจะรู้ในใจของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆเจียวหรือประการใดพระนาคเษนแก้ไขว่าขอถวายพระพรอัตมนี้อาจรู้แท้ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้แลเป็นองค์อนุตตรอยิ่งจริงทีเดียวขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองการซักว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้ด้วยปัญญา เห็นเหตุอย่างไรพระนาคเษนจึงถามเปรียบไปว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นใหญ่ในสมบัติอันยิ่งแต่ก่อนยังมีมหาเถระองค์หนึ่งมีนามชื่อว่าพระติสเถระรู้เลขชัดเจนบอกเลขเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ท่านกระทํากาและกิริยาตายไปช้านานแล้ว ทำไมชื่อจึงยังปรากฏลือชาอยู่จนการบัดนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการแก้ไขว่าพันเตนาคเสนค่าแต่พระนาคเสนเป็นด้วยเลขท่านบอกไว้นั้นยังปรากฏอยู่จึงรู้ว่าพระอาจารย์ติสสะเถระเลขท่านดีพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่า มหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารพระติสเถระเป็นอาจารย์เลขชื่อปรากฏอยู่ที่บอกเลขไว้ฉันใดก็ดีบุคคลที่ได้เห็นได้รู้ธรรมของสมเด็จพระสัพพันยูผู้ทรงพระทศพลยานประดิษฐานไว้ก็เข้าใจถนัดรู้ชัดสิ้นสุดว่าอนุตตรโรสมเด็จพระพุทธองค์ ทรงพระกรุณาคุณอดุลย์ยิ่งหาสิ่งเสมอไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็โสมานัดตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอุปมาณนี้สมควรนักหนาในการบัดนี้พุทธโธอนุตตภาวะชาณนนะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้